ที่มาของคำบูชาพระบรมศาสดาบทนโมตัสสัต มีเรื่องเล่าว่านแดนหิมมวันประเทศมีเทือกเขาชื่อว่าสาตาคิรีเป็นที่ร่มรื่นรมณียสถานเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภูมิเทพพยดาอันมีนามตามที่อยู่ว่าสาตาคิรียักษ์มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมมวันทางทิศเหนือเป็นบริวารของท้าเวสุวรรณสาตาคิรียักษ์ได้มีโอกาสสดับพระสัตย ธ, ธรรมจากพระบรมศาสดา จนมีจิตเริ่มใสศรัทธาเปล่งคํายกย่องบูชาด้วยคําว่านะโมหมายถึงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เทพยดาพรามมารยักษ์และสัตว์ทั้งปวงกล่าวฝ่ายอสุรินทราหูเมื่อได้สดับพระเกียรติศัพท์ของพระบรมศาสดา ก็มีจิตปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมะของพระบรมศาสดาบ้างแต่ด้วยกายของตนใหญ่โตเท่ากับโลกจึงคิดดูแคลนพระบรมศาสดาว่ามีพระวรกายเล็กดังมดจึงอดใจรั้งรออยู่พอนานวันเข้าพระเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยิ่งขจรขจายไปทั้งสามโลกจนทำให้อสุรินทราหูอดทนรออยู่ไม่ได้จึงเหาะมาในอากาศตั้งใจว่า จะไร้เวทย่อกายเพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอฟังธรรมแต่พอมาถึงที่ประทับอสุรินทราหูกลับต้องแหงนหน้าคอตั้งบ่าเพื่อจะได้ทัศนาพระพักพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระสัตย์ธรรมชำระจิตอันหยาบกระด้างของอสุรินทราหูให้มีความเลื่อมใสศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสก ผู้ถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตแล้วกล่าวสรรเสริญพระบรมศาสดาว่าตัดสักแปลว่าขอบูชาขอนอบน้อมขอนมมสการเมื่อครั้งที่เท้าจตุมหาราชทั้งสี่ผู้ดูแลปกครองสวรรค์ชั้นแรกมีชื่อเรียกว่าชั้นกรรมวจร มีหน้าที่ปกครองดูแลประตูสวรรค์ทั้งสี่ทิศพร้อมบริวารได้พากันเข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลถามปัญหาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมตอบ ป, ปัญหาแก่มหาราชทั้งสี่พร้อมบริวารจนยังให้เกิดธรรมจักสุแก่มหาราชทั้งสี่และบริวารท่านทั้งสี่นั้นจึงเปล่งคำบูชาสาธุขึ้นว่าภักขวะโตแปลว่า พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้จำแนกธรรมอันยิ่งอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอารหัตโตเป็นคำกล่าวสรรเสริญของเท้าสักกะเทวราชเจ้าวสวรรค์ทั้ง6กชั้นท่านสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าสักกะเทวราชได้ทูลถามปัญหาแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงตรัส ปริยายธรรมและทรงตอบปัญหาจนทำให้เท้าสักกะเทวราชได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาปติผลจึงเปล่งอุทานคำบูชาขึ้นว่าอารหัตโตแปลเป็นใจความว่าอารหันเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากเครื่องข้องทั้งปวงสัมมาสัมพุทธสะ เป็นคำกล่าวยกย่องสรรเสริญของเท้ามหาพรมหลังจากได้ฟังธรรมจนบังเกิดธรรมาจากสุจึงเปล่งคำสาธุการสัมมาสัมพุทธสัจหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองทรงรู้ดีรู้จริงรู้ยิ่งกว่าผู้รู้อื่นใด